ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอรายการธรรมรับอรุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณภาคปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษค่ะเช้าวันนี้เราจะเสนอในเรื่องอริยมรตมีองค์แปดค่ะมรตคือหนทางถึงความดับทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของอริยศัสตร์ แล้วก็นับเป็นหลักธรรมสำคัญอย่างหนึ่งในพุทธศาสนาค่ะซึ่งจะมีองค์ประกอบแอย่างด้วยกันคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะสาสัมมาวาจาสสัมมากรรมตะห้าสัมมาอาชีวะหสัมมาวายมะเจ็ดสัมมาสติและปดสัมมาสมาธิค่ะ ซึ่งรายละเอียดและความสำคัญในการนำอรรยมรรมมีองค์แปดมาใช้ในการดำเนินชีวิตท่านพระอาจารย์ไทบูร์อภิปุลโนวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ได้เมตตา ม, มาบรรยายธรรมในเช้า ว, วันนี้ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังค่ะ ปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษในวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอริยมรรคมีองแปดท่านผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งเคยมาฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมใช้คําว่าปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษซึ่งอันนี้เป็นพุทธภาษน์เพระพระพุทธเจ้าได้เคยเตือนเหล่าสาวกทั้งหลายที่มาศึกษาธรรมะของพระองค์เราก็จําได้อย่างคล่องแคล่วรู้หมดเลยว่าพระพุทธเจ้าพูดตรงไหน เป็นอุทานอยู่ในพระสูตเรเล่มไหนหน้าอะไรโหเรียนจบหมดพระไตปิดกมางันเถอะแต่ว่าเวลาคนด่าก็ยังจีดเวลาคนว่าคนทำอะไรไม่พอใจก็มีอาการโกรธอาการขัดเกืองเวลามีใครมาพูดอะไรดีดๆเข้าหน่อยสรรเสริญเยินยอก็หลงไหลไปตามต่เป็นผู้ที่รู้แต่ว่าทำไม่ได้จำธรรมะได้เฉยแต่ว่าไม่ไม่รู้ธรรมะไม่เอาธรรมะเข้าถึงใจได้พระบุรธชาก็เตือนไปว่า อาการอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นปริยัติที่เป็นงูพิษนะซึ่งการที่เราจะรู้สิ่งที่เป็นธรรมะได้เนี่ยต้องศึกษาด้วยการปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าสิกขานะสิกขาคือการศึกษาด้วยการปฏิบัตินะสิ่งที่เรารู้เฉยๆจาได้เฉยๆคือปริยัติเท่านั้นเองนะยังไม่เป็นการยังไม่เป็นสิกขาบทนะถ้าเราปฏิบัติสิกขาบทแล้วนั่นก็คือการเรียนด้วย การปฏิบัตินั่นเองถ้ายกตัวอย่างในปัจจุบันในรูปแบบของการเรียนที่เรามีอยู่ไนะม่ว่าจะเป็นอยู่ในห้องเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆพวกนี้เป็นการเรียนที่เป็นปริยัติทั้งนั้นนะจําไดนะ้ถ้าในชั่วโมงไหนที่มีการแบบฝึกหัดนะการนําไปใช้จริงๆนั่นถึงจะเรียกว่าเรียนด้วยการปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยจะการเรียนเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่เข้าไปอา ศ, า ศ, าศัยอยู่กับครูบาอาจารย์เลย แล้วก็เรียนด้วยการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นช่างหม้อในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็ไปอยู่กับหมู่บ้านช่างหม้อเลยเขาก็ทำเลยผลิตเลยคุณเรียนรู้จากการทำนั่นเองในสมัยปัจจุบันเราก็ยังอาจจะเคยเห็นในเวลาเรียนใบน้ำหรือเรียนขับจักรยานเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีคู้มือไปหาตามแผงหนังสือที่ไหนเนี่ยก็จะไม่เห็นคู่มือการขับจักรยาน ซื้อมาให้เด็กอ่านหรือว่าคู่มือการสอนว่ายน้ำซื้อมาให้เด็กอ่านไม่มีและมีแต่ว่าเาคุณก็กระโดดล ง, งน้าเลยคุณก็ขึ้นจักรยานเลยสำลักน้ําสักสามสี่อึกสิบยี่สบอึกหรือว่าล้มสักสามสี่ 10, 20, ทีสิบยี่สิบทีแต่มันก็เป็นเองเหมือนการธรรมะเนี่ยเราก็ต้องทําปฏิบัติเลยแล้วลองผิดลองถูกทําไปทําได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ให้ทําก่อน ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ใช้คําว่าปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษเพราะฉะนั้นในช่วงปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนี้ก็จะนําเสนอหลักธรรมะนะเป็นหมวดธรรมะเป็นข้อๆเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้และเพื่อให้การบัญญัติของพระองค์เนี่ยสมสําเร็จประโยชน์แห่งสิกขาบทก็จึงใช้ชื่อคําว่าปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษในตอนที่แล้วนั้นเราพูดถึงเรื่องอินทรีย์แล้วก็พระห้าายังมีเรื่องที่ต้อง เพิ่มเติมให้ฟังอีกสักนิดหนึ่งก็คือเรื่องของอินทรีย์เนี่ยที่บอกว่าเป็นกําลังนะเป็นก็เรียกว่าเป็นความเป็นใหญ่ในจิตจิตเราจะใหญ่มากหรือใหญ่น้อยมีอนุภาพมากหรือน้อยก็อยู่ที่อินทรีย์พวกนี้เองเอินทรีย์นี้ที่ได้กล่าวไว้ตอนที่แล้วบอกว่าเป็นองค์ประกอบเหตปจัจจัยนะที่ทําให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยบรรลุเร็วหรือบรรลุช้า ในตัวอย่างเช่นพระองค์กุลีมานเนี่ยบรรลุได้รวดเร็วเพราะว่ามีอินทรีย์แก่กล้าหรือว่างบางท่านบรรลุช้าก็เพราะอินทรีย์นั้นยังไม่แก่กล้าตรงนี้เป็นพุทธวจนะที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าคนที่จะมีอินทรีย์แก่หรืออ่อนมีอินทรีย์มากหรือน้อยเนี่ยก็พิจารณาอยู่ที่สามารถปล่อยวางอารมณ์ได้เร็วเท่าไหร่ถ้าปล่อยวางอารมณ์ได้เร็วมากเราก็ชื่อว่ามีอินทรีย์แก่กล้า เร็วระดับไหนที่เรียกว่ามีเป็นอินซีที่ชั้นเลิศเลยเร็วระดับที่เรียกว่าเหมือนกับมีกระทะอยู่ใบหนึ่งร้อนแดงมาตลอดทั้งวันแล้วก็มีบุคคลเนี่ยเอาน้าหยดลงไปสักหยดหนึ่งสองหยดความรวดเร็วระยะเวลาที่น้านั้นเนี่ยระเหยกลายไปในไนซู่ขึ้นมาเนี่ยความเร็วตรงนี้เนี่ยคือความเร็วในการบางอารมณ์ของบุคคลนั้นเจออารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจ าสามารถปล่อยวางได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับความเร็วของน้ําที่ละเหยจากกระทะที่ร้อนแดงมาตลอดทั้งวันหรือว่าความเร็วของการกระพิตตาหรือว่าความเร็วของการที่บุรเนี่ยแข็งแรงคนหนึ่งเนี่ยขากถุยเฉลตแล้วก็เฉลตตกลงบนพื้นดินเร็วขนาดนี้หรือว่าคนที่แข็งแรงเนี่ยขยับแขนยืดเข้าและหดออกหดหดเข้าและยืดออกเท่านั้นเอง ในะรวดเร็วขนาดนี้ถึงจะเรียกว่าคุณนั้นมีอินทรีย์ภาวนาชันเลิศเป็นคุณสมบัติที่จะสามารถทําให้บรรลุได้เร็วนะอย่างคนสองคนเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ด้วยกันนะคนหนึ่งฟังธรรมะเหมือนเหมือนกับอีกคนหนึ่งฟังธรรมะไปพร้อมๆกันเนี่ยอีกคนหนึ่งบรรลุได้เร็วกว่าอีกคนหนึ่งนั่นก็เพราะว่าอินทรีย์เขาไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญานี่ก็คือแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งที่จะ เพิ่มเติมให้เรื่องของอินทรีย์ทั้งห้าแล้วก็พละทั้งห้าวันนี้ที่ได้บอกไว้ตอนแรกจะพูดถึงเรื่องของอาริยมัชมีองแปดนะคําว่ามัชนี้ก็แปลว่าทางดำเนินนะแปลว่าทางนั่นเองเหมือนเราต้องการไปเชียงใหม่อย่างเนี้ยทางเส้นทางที่ไปก็จะไปตามถนนเส้นทางหลวงหมายเลขหนึ่ ง, งเป็นต้นาทางที่ไปเนี่ยเป็นทางที่ไปไหน ก็คือไปให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกไปให้ถึงนิพพานไปให้ถึงที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีที่จะต้องมาเถียงกันไม่มีปัญหาไม่มีความแก่ไม่มีความตายไม่มีความโศกความร่าไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแคลนใจพวกนี้ไม่มีจะเป็นที่ที่ดับไม่เหลือซึ่งความทุกข์ทั้งหลายทีนี้คนที่จะไปถึงที่ตรงนี้ได้คุณต้องไปตามทาง แล้วทางนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นทางที่จะไปถึงได้ด้วยการมากันไปไม่ได้เดินทางในสมัยก่อนมีพราหมณ์คนหนึ่งเขาชื่อโลหิตโลหิตสัจจะพราหมณ์องค์นี้เนี่ยมีฤทธิ์สามารถที่จะเดินทางเนี่ยเหาะได้นะด้วยการเหาะไปการเหาะของเขาเนี่ยรวดเร็วมากขณะว่าเร็วกว่าธนูที่ยิงได้อย่างรวดเร็วแนะมีนักยิงธนูที่ชำนาญเนี่ยยิงธนู นัดหนักได้อย่างคล่องข้าวว่องไม้มากคนนี้ยังบินได้เร็วกว่าความเร็วของธนูนั้นเองนะแล้วก็เว้นการกินการดืม่มการพักผ่อนการนอนการไปห้องน้ําเว้นหมดทุกอย่างเหาะไปอย่างเดียวเลยแล้วตลอดร้อยปีมีชีวิตอยู่ร้อยปีเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงที่สุดของโลกนะัคือยังไปไม่ถึงนิพพานเลยได้ตายในเสียระหว่างทางพอตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดา แลนะ้พมาเป็นเทวดาวก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊จะไปถึงที่สุดแห่งโลกเนี่ยได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้ยไม่มีทางไปได้ด้วยการมากันไปด้การเดินทางยังไงก็ไปไม่ได้ไปไม่ถึงแต่ว่ามีทางปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบด้วยตามระบบของอริยมรรคมีม่องแปดสังเกตคํานี้ให้ดีนะผู้ฝั่ ง, พ, งพระพุทธเจ้าใช้คําว่ามีทางปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบต้องปฏิบัติแล่นรู้และจําได้ไม่ใช่นั้นแค่ปริยัต ยังเป็นงูพิษอยูนะ่รู้แล้วปฏิบัตนะิเรียนรู้ได้ด้วยการปฏิบัติศิกขาบทนั่นถึงจะเรียกว่ า, าปฏิบัติจริงๆเข้ามาได้โดยรอบก็คือว่าอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเรานี่เองไม่ว่าจับส่วนไหนของกายเนี่ยก็เป็นธรรมะได้หมดเป็นยังไงก็ต้องมาดูองค์ประกอบของอริยมรรคมีองค์แปดทางนี้เป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเดียวเลยไม่ใช่แปดสายเป็นทางสายเดียวไปถึงที่หมายอันเดียว นั่นคือมิพานบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นทางแปดสายแต่ไม่ใช่เป็นทางสายเดียวนําไปถึงจุดหมายอันเดียวแต่ว่ามีองค์ประกอบแปดอย่างอย่างเช่นถนนทางหลวงอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบคือผิวคอนกรีตมีป้ายบอกทางมีทางระบายน้ำมีโคมไฟมีเส้นจราจรมีเครื่องกั้นอะไรต่างๆก่อกลางถนนเพื่อให้เป็นองค์ประกอบของเส้นทางที่ดีเนี่ยมีครบทั้งหมด ในเช่นเดียวกันเรียมร์คมีองศาเนี่ยก็มีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมดแปดอย่างแปดอย่างอะไรบ้างอย่างแรกก็เรียกว่าทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอย่างที่สองก็คือความคิดความดําริเนี่ยที่ถูกต้องอย่างที่สามก็คือเรื่องของวาจาคําพูดที่ออกจากปากต้องเป็นวาจาคําพูดที่ถูกต้องอย่างที่สี่ก็คือการกระทํำการกระปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวันเนี่ยการกระทําอย่างถูกต้อง อย่างที่ห้าก็เป็นเรื่องของการหาเลี้ยชีพที่ถูกต้องหรืออาชีวะชอบอย่างที่หกก็เป็นเรื่องของการทําความเพียรนะเป็นระบบการทําความเพียรอย่างถูกต้องอย่างที่เจ็ดนั้นเป็นเรื่องของการยีสตินะการระลึกชอบการระลึกได้อย่างที่ถูกต้องอย่างที่แปดนั้นคือเรื่องของสัมมาสมาธินะคือความตั้งใจมันชอบที่ต้องเน้นย้ำว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องถูกต้องเป็นสิ่งที่ชอบเป็นสัมมาเนี่ย ก็เพราะว่ามันมีสิ่งที่เป็นมิจฉาเหมือนกันแต่ความเห็นที่ไม่ถูกต้องก็มีความคิดที่ผิดๆก็มีหลงการหาลิ้ยงชีพที่ผิดก็มีสมาธิที่ไม่ถูกก็มีเป็นยังไงอาจารอธิบายให้ฟังอย่างแรกก่อนคือเรื่องของความเห็นที่ถูกต้องบางคนเนี่ยมีความเห็นใครๆก็มีความเห็นทั้งนั้นอ่ะแต่คนนี้จะมีความเห็นยังไงคนนั้นก็มีความเห็นโดยเฉพาะอย่างยิง่งในช่วงที่บ้านเมืองมีความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยใครๆก็มีความเห็นทั้งนั้น แต่ความเห็นแบบไหนถึงจะถูกนะพุทธเจ้าก็ได้ให้แนวความคิดกว้างๆเอาไว้นะว่าอันนี้เป็นทางสายกลางความคิดอันไหนก็ได้ความเห็นอันไหนก็ได้นะที่ไม่ติดจากหลักการนี้หลักการไหนคือหลักการนี้ความเห็นที่เรียกว่าถูกต้องนั้นก็คือเห็นว่าสิ่งที่ให้ทานเนี่ยทานที่ให้ไปแล้วเนี่ยมีผลในะการบูชาที่บูชาแล้วมีผลนะผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีนะโลกนี้โลกหน้ามี สัตว์อื่นเช่นเทวดามีมารดาบิดามีผู้ที่ปฏิบัติจนถึงเป็นพระอรหนแล้วก็มีหรือว่าเรื่องอื่นๆพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่เป็นความเห็นที่ถูกต้องนะอะไรที่ปิดแปลกจากความเห็นเรื่องนี้นั่นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ผิดความเห็นตรงนี้ยังเป็นมีอยู่สองส่วนนส่วนที่เกี่ยวข้องกับโลกอยู่เกี่ยวข้องกับของหนะัก ยังเป็นส่วนแห่งบุญเป็นไปด้วยกับอาสวะคือทำไปแล้วเนี่ยยังมีอาสวะเพิ่มอยู่นะแล้วเราก็มีส่วนที่สองคือความเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับขันธ์ทั้งห้าเป็นเรื่องของจิตล้นลวนเป็นเรื่องของการที่ออกจากระบบสมมุตินะออกจากระบบโลกเป็นไปเพื่อ น, นิพพานอย่างแท้จริงนั่นก็คืออริยสัจทั้งสีนะ่ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญญาโดยตรงพนะระพุทธเจ้าเอาส่วนที่เป็นปัญญาในอินทรีย์ห้า ส่วนที่เป็นปัญญาในพละห้าส่วนที่เป็นปัญญาในโพชงเจ็ดเนี่ยเอามารวมกันไว้ในที่นี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระตเรื่องของโพชงเนี่ยจะพูดในข่าวต่อไปแต่จะพูดถึงตรงนี้นิดหนึ่งว่าส่วนที่เป็นโพชฌงโพชงแปลว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมที่ไม่อยู่ในเรนมักมีองแปดในส่วนของสัมมาทิฏฐิที่เป็นระดับเหนือโลกเนี่ย คือธรรมวิจัยสัมโพชงนั่นคือการที่เราคิดใกล้ครวนธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ตรงนี้ก็เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นเตรงนี้ปัญญาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของอยู่ในจิตของเราจริงๆแต่ถ้าเรายังพูดถึงเรื่องทานเรื่องของการให้การบูชาเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับโลกอยู่แต่ถ้าเมื่อไหรเรามานั่งสมาธิพิจา ร, รณาจิตของเราเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวกับสมาธิจิต อธิจิตอธิปัญญาตรงนี้ก็เป็นเรื่องระดับจิตเป็นเรื่องของสมาธิทิขั้นโลกุตระไปตรงนี้คื อ, อสมาธิิอันที่สองคือเรื่องของสัมมาสังก ป, ปะสังกปปะแปลว่าความคิดความดําริจะเป็นความคิดที่เป็นคําพูดก็ได้ความคิดที่ไม่เป็นคําพูดอย่างเช่นเวลาแม่รักลูกอย่างเงี้ยลูกคลอดออกมาจากครรภตัวเองใหม่ๆเอามาอุ้มอยู่อย่างเงี้ยแม่มันอธิบายไม่ถูกนะว่าเรารักลูกยังไง แต่ความรักความเมตตารตรงนี้เป็นความดําริเป็นความคิดที่ไม่เป็นคําพูดนะหรือว่าการที่อาจมาจะเรียบเรียงคาพูดก่อนที่จะมาพูดให้ท่านทุกฝังฟังเนี่ก็เป็นความคิดเหมือนกันเป็นความคิดแบบที่มีคําพูดอยู่ในใจนะเป็นการปรุงแต่งทางมาจาที่ยังไม่ได้กล่าวออกมาไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะก็เป็นความดําริได้ความดําริแบบไหนที่เรียกว่าเป็นความดําริที่ถูกต้องหลักการที่พระพุทธเจ้าให้ไว้อย่างเป็นกลางๆง เราก็คือความคิดแบบไหนก็ได้ที่ออกจากกามไม่เกี่ยวข้องด้วยกามกามในที่นี้อย่างที่ได้เคยคุยให้ฟังน่น ก, ก็เป็นไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์หรือว่าเรื่องบนเตียงแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกั บ, ท, กกบที่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างความสุขอะไรความกำหนัดบัวเมาเพลิอกเพลินยินดีที่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามทั้งสิ้น ค, ความคิดความดําริอันไหนที่ไม่เกี่ยว <zy> ข้องด้วยการหลีกออกจากการอันนั้นถูกหรือว่าความคิดความดําริอันไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับความพยาบามหลีกออกจากความพยาบามแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับความเบียดเบียนความคิดความดําริอันนั้นถูกต้องคุณจะคิดยังไงเขียนลงหน้าหนังสือพิมพ์ยังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับสามเรื่องนี้ถูกต้องทําได้พระพุทธเจ้าก็สนับสนุนด้วยเป็นทางสายกลางด้วยสัมมาสังกะปะนี้ก็ยังแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่ ยังเกี่ยวข้องกับบุญเนะี่ยยังเป็นไปด้วยกับของหนะักยังเกี่ยวข้องกับโลกอยู่อันนี้ก็อย่างที่ได้กล่าวไปให้ฟังเมื่อสักครู่นะคือสัมมาสังกปะ์สามอย่างนั้นส่วนที่เป็นชั้นเหนือโลกนะคือพระอาหารหนองค์ไหนก็ได้นะที่มีความคิดความคิดความดําร่ของท่านนั้นเนี่ยก็เป็นประดับเหนือโลกด้วยกันทั้งนั้น อ, อย่างที่สามในอริยมรรคมีองค์แปดนั้นก็คือเรื่องของสัมมาวาจา สมัมมาวาจาคือการพูดจาที่ถูกต้องการพูดจาที่ดีคำพูดอะไรที่หลุดออกจากปากเรามาเนี่ยต้องมีคุณสมบัติสี่อย่างอย่างนี้ถจะเป็นคําพูดที่ไม่ใช่เป็นคําพูดโกหกนะคืโอกโอกหกนี่เป็นยังไงคือรู้บอกว่าไม่รู้เห็นบอกว่าไม่เห็นนะไม่เห็นบอกว่าเห็นได้ยินบอกไม่ได้ยินไม่ได้ยินบอกได้ยินอย่างเงี้ยเป็นคําพูดโกหกนะแกล่าววาจาที่ให้ผิดต่อโลกถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็น สมามวาจาอีกอย่างหนึ่งก็คือการพูดสับสอหรือพูดสอดเสียดหรือพูดยุยงให้แตกกันสามคำนี้มีความหมายเดียวกันก็คือว่าคําพูดที่หลุดออกจากปากมาเนี่ยแหมเอาความข้างนี้ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อให้เขาแตกจากฝ่ายนี้อันนี้ไม่ถูกหรือเอาความข้างนี้ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อให้แตกจากฝ่ายนั้นอันนี้ก็ไม่ถูกแต่คําพูดอะไรที่ออกจากปากมาแล้วเนี่ยเป็นคําพูดที่สมัครสมานสามรรัคคี นะพูดจาเพื่อให้พร้อมเพรียงการปรองดองกันเนี่ยมีความสามัคคีเป็นเหตุเี่ยตรงเนี้เป็นสิ่งที่ควรพูดเรียกว่าเป็นวาจาที่ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของวาจาหยาบคายนะวาจาหยาบนี่อย่างที่ได้เคยกล่าวไปแล้วว่าไม่ได้หมายถึงวาจาที่ในรูปแบบของการใช้ภาษานะการใช้ภาษาเนี่ยอาจจะฟังเป็นภาษาแบบสมัยพ่อคุณรามคําแหงนะแต่ว่ามีความจริงใจก็มนะีเป็นวาจาที่อหยาบอยู่แต่ว่าอา ไม่ได้หยาบในความหมายของสัมมาวาจานี้ในความหมายของสัมมาวาจาเรื่องของวาจาหยาบคื อ, อยังไงคือวาจาที่กระทบกระเทียบเบียดเบียนะไม่เป็นไปเพื่อสมาธิต่อให้การใช้ภาษาของคุณเนี่ยเป็นภาษาที่สุภาพมากๆนะเป็นภาษาที่ชาวเมืองเขาใช้กันแต่ถ้าเป็นวาจาที่กระทบกระเทียบเบียดเบียนนะฟังแล้วจิตแตกเลยฟังแล้วโอ้โหมันจี้ก็ไปถึงใจเนี่ยนะคําพูดอย่างนั้นเนี่ยเป็นวาจาหยาบ นะเหมือนกับแหมหวานปานน้ําผึ้งแต่ว่าบาดลึ ก, กเกินอย่างนี้ก็ไม่ถูกเป็นวาจาที่ไม่ควรพูดนะถือว่าเป็นวาจาหยาบวาจาเพรสเชอร์ในะอย่างที่สี่ในเรื่องของสมมาวาจานั้นก็คือการพูดเพรสเชอรนะ์พูดเพื่อให้เกิดความสนุกสนานไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงอยู่ๆก็กุขึ้นมาหลักฐานก็ไม่เห็นอยู่อยู่ก็พูดออกมาอย่างเงี้หลักฐานที่อ้างอิงไม่มีไม่รู้เวลาเริ่มไม่รู้เวลาจบนะไม่สมควรแก้เวลาพวกนี้เป็นวาจาเพรสเชอร์ทั้งนั้น เรื่นี้ในสมัยเพื่การก็มีนะคนที่พูดวาจาเพอ้อเจอ้อเพื่อความสําราญเนี่ยก็เป็นเหตุที่ทําให้มนุษย์เนี่ยอายุสั้นลงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ก็จะทําให้เราเป็นผู้อยู่ในสัมมาวาจาองค์ประกอบต่อไปในเรื่องของริมักมีมงแปดนั่นก็คือความประพฤติการการะทําที่ถูกต้องไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเป็นการกระทําทางกายอะนะไปอยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนเนี่ยแต่ว่า เราหลีกเลี่ยงจากสามอย่างนี้ก็ชื่อว่าถูกต้องหมดนันเป็นหลักกลางๆที่พระพุทธเจ้าให้ไว้อย่างเช่นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ลักทรัพย์สามอย่างนี้ใครที่ปฏิบัติตามสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องจะเหนได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ฟันธงไปสุดโต่งข้างหนึ่งนะว่าคุณต้องบวชคุณไม่ต้องบวช หรือว่าคุณต้องทํางานทีน่นี่ต้องมีอาชีพนี้ต้องมีอาชีพนั้นแต่ให้หลักไว้กว้างๆนะเรียกว่าเป็นทางสายกลางไม่ว่าคุณจะเรียนหนังสือที่ไหนอยู่ครอบครัวอะไรเป็นคนสีผิวไหนชายหรือหญิงแต่ถ้าไม่ผิดหลักสาอย่างนี้ไม่ฆ่าสัมแม่นรักจะไม่ประพฤติดในการก็ชื่อว่ามีการกระทําที่ถูกต้องซึ่งอริยมรคมีองค์แทั้งหมดเนี่ยต้องไปคู่กันนะถ้าปากยังไม่ดีแต่ว่าการกระทําทางกายดีเราก็ค่อยๆปรับปรุงตัวเราไปนะให้มันดี เรื่องของสัมมากรรมตะนั้นก็ยังมีแง่มุมที่เกี่ยวกับส่วนที่เป็นของโลกนะคืออย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ส่วนที่เป็นของโลกุตระก็คือบุคคลผู้ที่เป็นเรียบบุคคลเนี่ยถ้ามีการกระทําที่เกี่ยวข้องกับไม่เกี่ยวข้องด้วยการฆ่าการลักการประพฤติผในกามเนี่ยการกระทําของผู้นั้นก็เป็นสัมมากรรมตะระดับเหนือโลกขึ้นไปองคประกอบที่ห้าในเรื่องของเรียามารมณองค์แปดนั้นก็คือสัมมาอจิยะ สัมมาอาชีวะก็คือการที่เราเลี้ยงชีพอย่างถูกต้อ ง, งการเลี้ยงชีพอย่างไหนก็ได้ไม่ได้จํากัดว่าคุณต้องอมีอาชีพอะไรหรือว่าทํางานที่ไหนทําต่อายุเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีการกระทําอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเลี้ยงชีพถูกต้องหรือไม่ก็ต้องดูว่าอมิจฉาอาชีวะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกเอาไว้นะบอกว่ า, วามิจฉาอาชีวะก็คือการพูดโกห oh ก ok, นะการพูดหลอกลวงการพูดปล่บล้อมการพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงหรือว่าการล่อลาบด้วยลาบนะคือเอาของมีค่าน้อยต่ อ, อของมีค่ามากอย่างนี้ยเป็นมิจฉาอาชีวะทั้งสิน้นะถ้าเราเลี้ยงชีพด้วยวิธีการนี้ก็กคือเป็นมิจฉาอาชีะถ้าหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้นะไม่พูดโกหกไม่พูดหลอกลวงไม่โกงตาช่างไม่พูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงนะไม่พูด อ่าล่อลาบด้วยลาบเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากอย่างเงี้ยก็ชื่อว่าการเลี้ยงชิชอบนี่คือเรื่องของอริมัคมีองแปดองค์ประกอบที่หกเป็นเรื่องของความเพียรเรื่องของความเพียรหกเจ็ดแปดเนี่ยความเพียรอ่สติแล้วก็สมาธิเนี่ยปฏิบัติไปคู่กันอย่างนี้ก็คือว่าความเพียรเนี่ยมาถึงความพยายามการที่เราจะเอาสิ่งที่เป็นกุศลเข้ามา เอาสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปอกุศลไม่ให้เข้านะอากุศลที่เรามีอยู่เอาออกอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่าให้มันเข้ามาอกนะุศลที่เรามีอยู่แล้วทําให้เจริญขึ้นกุศลที่ยังไม่มีเอาเข้านะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเพียรในลักษณะที่ไม่ใช่ว่าต้องไปอาบเหงือต่างน้ําทําตัวให้ทรมานเป็นนอนบนเตียงตะปูนะอะไรต่างๆเนี่ยแต่เป็นความเพียรทางจิตนะจิตของเราเนี่ยขุดกล่าวซะ ขูดๆเอาสันดานที่ไม่ดีออกไปเอากิเลตออกไปเอาอคุสสนออกไปแล้วเอาอะไรเข้ามาเอาสิ่งดีๆนะมีกุศลธรรมทั้งหลายมีเรื่องสีมีเรื่องสมาธิมีเรื่องปัญญาเอาเข้านะมีเรื่องความหลีกเร้นมีเรื่องการสังสมสุตตะมีเรื่องการฟังธรรมมีเรื่องการปรัถนานเอาเข้านี่คือเรื่องของความเพียรให้ทําอย่างนี้อย่างที่เจ็บนั้นก็คือเรื่องของสตินะสติเนี่ยแปลว่าความระลึกได้ซึ่งแด้อธิบายไป บางส่วนในเรื่องของพระห้าแล้วก็อินทรีห้าด้วยอั น, นนี้ก็มีสติเหมือนกันสตินี้จะเป็นอยู่ในหลายๆหมวดเลยในธรรมะของพระพุเจ้าสติกับปัญญาเนี่ยจะอยู่ด้วยกันในหลายๆส่วนสติกับปัญญา เ, าเพราะฉะนั้นในเรื่องของสตินี้ที่พระพุเจ้าพูดถึงในเรียมักมีองแปดนั้นก็คือการที่เราใช้อะไรเป็นฐานที่ตั้ให้เกิดสติในอย่างสติใน อินทีห้าเนี่ยหรือพระห้าเนี่ยเป็นสติที่เรานํามาใช้งานสติที่อยู่ในอริยมรรคเนี่ยเป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดสติพนะระพุทธเจ้าก็ให้ใช้กายกาย็ไนดะ้เอากายของเราเอานิ้วเอากระดูดเอาหลังเอาคอเอาลหมหายใจเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดให้จิตของเรามีสติได้หรือว่าจะเอาเวทนาก็ได้ความรู้สึกเนะี่ยที่เกิดในภายในเกิดในภายนอกเอเกิดที่ตัวหรือเกิดที่ใจก็ได้ทั้งนั้นเ อ, อีกประการหนึ่งก็คือเอาจิตของเรา ในความอะไรก็ได้ในความคิดความดํำริหรือความความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตก็เอามาเป็นฐานที่ตั้งให้จิตนั้นมีสติได้เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของธรรมะะมีธรรมะก็ทําให้มีสติได้เป็นฐานที่ตั้งที่ทําให้จิตนั้นมีสตินั่นก็คือสติฐานสี่นั่นเองพอมีสติแล้วเราละสิ่งต่างๆสิ่งที่ไม่ดีได้เนี่ยก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสมาธิสมาธิเนี่ยคือจิตที่เป็นหนึ่งนั่นเอง นะองค์ประกอบทั้งหมดเจ็ดอย่างที่พูดมาในตอนต้นเนี่ยถ้าแวดล้อมจิตดวงไหนอยู่จิตนั้นที่ถ้าเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยจิตที่เป็นหนึ่งเนี่ยคือสัมมาสมาธิเนะี่ยโดยมีองค์ประกอบทั้งเจ็ดอย่างนี้อยู่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของอริยมรรคมีองแปดทั้งหมดนี้ก็จ้องอธิบายให้ฟังว่าอย่างคนที่เอาง่ายๆเรื่องของสามาวิจารก่อนอย่างเนี้ยเราจะพูดดีเราจะเลิกพูดสิ่งไม่ดี เอาคุณรู้ได้ไงว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะความรู้ตรงนี้แหละเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วแต่แสดงว่าคุณที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยนะทําได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งก่อนนะแค่แค่รู้ก่อนเข้าใจก่อนนะที่ว่าคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้ะเป็นสิ่งที่ดีล้วแล้วทีนี้พอเรามาอา๋อฉันจะไม่พูดชั่วฉันจะไม่ด่าใครไม่ว่าใครฉันจะไม่พูดยุยงให้แตกกันฉันจะพูดแต่สิ่งที่ทําให้คนสามัคคีกันละ่ะความเพี้ยนตรงนี้ที่คุณนามาใส่เนี่ยเป็นสมมาวายมะ เวลาเราจะตั้งใจในการที่จะพูดดีๆเนี่ยนะพูดสิ่งที่เป็นอถูกต้องเนี่ยคุณต้องมีสตินะสติในการที่จะไม่พูดสิ่งชั่วพูดสิ่งดีๆสติตรงนี้ก็คือสัมมาสตินั่นเองจะเห็นว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสติแล้วก็สัมมาวายามะเนี่ยจะตามมาตามมากับอะไรตามมากับสัมมาวาจานะมีสัมมาวาจาก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาวายามะแล้วก็สัมมาสติด้วย สมาร์ตกำมันตะและสมาอาชีวะก็เหมือนกันแต่คนที่ประพฤติดีเนี่ยแบบจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ประพฤติผิดในการอ ย, าอย่างมีคนมายั่วยวนเราให้ผิดศีลข้อสามเอ้เราก็รู้นะว่าผิดศีลข้อสามเนี่ยมันเป็นยังไงอะคุณมีสมาธิอละแล้วถ้าคุณทําได้นะะอไม่เอาก็แล้วกันฉันทําสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีฉันไม่ทํานั่นคุณมีสมาวิมารเลยคนที่จะทําอย่างนี้ได้คุณต้องมีสตินั่นก็คือมีสมาสติละ นะเพราะฉะนั้นเรื่องของการพูดก็ดีการทําตัวก็ดีหรือว่าการเลี้ยงชีพเนี่ยสัมมาสติสัมมาวายมะแล้วก็สมาทิฏิเนี่ยก็จะมาตามแวดล้อมสิ่งพวกนี้หมดเพราะฉะนั้นการทํางานของมรรมคมรรคเมีองแปะเนี่ยมันก็มาด้วยกันในะอย่างแค่ว่าสัมมาสังกประเนี่ยเรามาทําสัมมาสังกประให้เกิดขึ้นใช่ไหมคนที่จะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยคุณต้องมีสมาทิฏิละ การที่ตั้งจิตคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการไม่เกี่ยวกับพยาบาทไม่เกี่ยวกับบีดเบียนเนี่ยชื่อกว่มีสัมมาสังกปะคนจะทําอย่างนี้ได้คุณต้องมีสติคือสัมมาสติอยู่และความเพียรในการที่จะเลิกคิดไม่ดีคิดแต่สิ่งดีดนั่นคือสัมมาวายมะละ่ละจะเห็นว่าอาริมรัสมีองค์แปดเนี่ยตามมากันหมดถ้าแล้วถ้าจิตเราเป็นหนึ่งอยู่ในนั้นเนี่ยมีองค์ประกอบเจ็ดอย่างอยู่แล้วแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่นั่นก็เป็นสัมมาสมาธิ แต่เปเรื่องของปริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยสัมมาทั้งเจ็ดแปดอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ฉันจะต้องเลือกทําอันนี้น ะ, ะเดี๋ยววันนี้ทําสัมมาทิฏฐิและกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําสัมมาสังกปะนะแล้วก็เดี๋ยวทําสัมมาสมาธิสัสองวันแล้วก็กลับไปทําสัมมาวายมะมันไม่ใช่มันมาด้วยกันหมดนะแค่เรารู้ปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนะอย่าไปเข้าใจว่าอันนั้นต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือร พ, รพระพุทธเจ้าประกาศธรรมะเนี่ยต้องละเอียดลึกซึ้งนะพระพุทธเจ้าเคยบอกเอาไว้ว่า เวลาเหมือนกับพระยาศิหะเนี่ยเวลาตบคุบเหยื่อเนี่ยทีเดียวตายนะตะคุบทีเดียวตายไม่ต้องมาสาสองรอบสารอบเพราะเหมือนกันเวลาพระพุทธเจ้าประกาศธรรมจักเนี่ยทีเดียวต้องครบนะเวลาพูดธรรมะเนี่ยต้องลึกซึ้งหมดทุกแง่มุมเพราะฉะนั้นอาการที่พระุทธเจ้าบอกสอนธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้นะแต่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่จิตของเราท่านเองอยู่ที่กายอยู่ที่ใ จ, อ ย, ใจอยู่ที่จิตของเราเราเอามาปฏิบัติแล้วเรียนรู้ได้ด้วยการปฏิบตัติก็จะชื่อว่าเป็นผู้ที่ มีปริยัติอย่างไม่เป็นงูพิษเพราะฉะนั้นในเรื่องของอริยปัจมียองแปดที่ว่าอธิบายได้คร่าวๆก็จะในลักษณะนี้แล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังได้เอาธรรมะหมวดที่พระพุทธเจ้าได้สอนเนี่ยเป็นหมวดที่สำคัญมากเนี่ยไปปฏิบัติก็จะทำให้เราลึกซึ้งในธรรมะของคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งๆขึ้นไปติดตามแลบฟังรายการ ธรรมะรับอรุณได้ใหม่ในวันพรุ่นี้เวลา5นาิกาถึง5นาิกานาทีทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสาหรับวันนี้สวัสดีครับ